จะได้แนะนำวิธีนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่ระลึกกลับไปกรุงเทพมหานครจะได้นั่งภาวนาได้ดีเพราะว่าอะไรทั้งหมดนั้นต้องมีครูคนนว่มีครูมีอาจารย์มีผู้บอกถ้าไม่มีใครบอกมันทำไม่ถูก ดังนั้นวันนี้ก็จะได้แนะนำทางการนั่งสมาธิภาวนาให้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งภาวนาในลุกขมู ล, ล่มไม้ที่เราได้ทราบข่าวว่าพระองค์นั่งใต้ลมไมโพน ลมไม่พอก็คือว่าลุกขมูลลมไม้โน่นประเทศอินเดียเราท่านทั้งหลายมานี่ก็จะได้เห็นลุกขมูลลมไม้นะไม้ยางต้นใหญ่ๆกองนี้ไม่อะไรต่อมีอะไรสองข้างทางที่มานี่หลเรียกว่าลุกขมูลุลกขมู ล, ละเสนาสนางังพระพุทธเจ้าพันสอนนักบวชสอนทั้งนักบ้าน ว่าลุกขโมนโลกไม้มันเป็นของเย็นไม่ร้อนเหมือนใจคนใจคนมันร้อนเพราะความอยากได้อย่างหนึ่งแล้วก็ยากได้ยังหนึ่งวุ่นวายไปหมดอใจมันไม่สงบใจไม่นิ่งใจไม่เป็นดวงเดียววันนี้จะได้แนะนำวิธีนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> แล้วก็ไม่เฉพาะแต่ว่าแนะนำคําพูดเท่านั้นจะให้นั่งสมาธิด้วยการนั่งสมาธินั้นให้ภากันนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาขยับขยายออกห่างๆกันสักหน่อยอนั่งได้คัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนวันนี้ก็เอาขาขวาขึ้นมาวันนี้เอาขาขวาขึ้นมา เอาขันเด็กเออนั่นแหะนั่งแบบนั้นเออจับไว้ก่อนก็วออ่าอนั่นแะนั่งนั่ น, นั่งเอเน่ก็เอาขาขวาขึ้นมาเออเอเน่ก็ฟังเดกว่า ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็ดูหลวงปู่มานั่งแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพือพระพุทธโลกท่านนั่งนะ่ะมีสองแบบแบบนี้เรียก ว, ว่าแบบพระพุทธเจ้านั่งที่ ลุกขมู ล, ล่มไม้ใต้ต้นไม้โพนอนเมืองอินเดียนอนเมืองแครทให้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งคนนมคนเท่าคนแก่นั่งให้ได้ทุกคนคนแก่กะติว่าข้าพเจ้าแกก็ไม่ได้นั่งให้มันได้แต่นั้นแ่ะทีนี้ ฟังต่อไปฟังต่อไปฟังต่อไปเมื่อเรานั่งได้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความสงบเอามือขวาทับมือซ้ายบทต้องประนมมือฟังเทศภาวนานั่งขัดสมาธินี่ข้างใดขวาเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ยืดตัวตั้งตัวให้เท่งเหมือนพระพุทธโลก พระพุทธรูปมันนั่งแอวซื่อเพป่นบกค์เหมือนใจแอวคน <c oughs> อนี่เมื่อเรายืดแอวให้กลงแล้วก็หลับตาแล้วบปลเนี่ยเ่าต้องเมินตาดูพระพุทธรูปมันไม่ได้เือนตาเหมือนคนหลับตาหรือเพิ่นลื่นตาเล็กๆเพิเ่นไม่ใช่ตานอกเพิ่นใช่ตาในกันเนี่ย ตานอกนี่หลับไว้ตาในให้ภาวนาพุทธโธหน่อยรับ น, นึกภาวนาพุทธโธพุทธโธนี่ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าธรรมโมหมายถึงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสังโฆหมายถึงพระสงฆ์สาวกในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นมีพระ โสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอระหันตามากมายสมัยก่อนโน้นแต่สมัยนี้จะหาพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั่นไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าดับขันเข้าโสนรุภานไปยังเหลือแต่ญาติโยมเราท่านทั้งหลาย พร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เกิดมาในสมัยนี้ไปหาที่ไหนให้มีพระพุทธเจ้าไม่มีแต่คนโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านก็ทำให้มีได้พระพุทธเจ้าอายุพันสาท่านได้แปดสิบบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าโ่นาริพาน ก็คือว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามเมื่อแก่ชราแล้วก็ย่อมมีความแตกดับของร่างกายสังขารเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าดับขันเข้าสู่นาเนปานคือใจิตใจท่านดีใจท่านภาวนา ใจท่านไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนคนเราบัดนี้เราทั้งหลายได้นั่งขัดสมาธิและให้จดจำไว้อย่าไปกลัวมันเจ็บอันร่างกายสังขาร น, นั้นเกิดมาแล้วเราต้องแก่ชราเป็นธรรมดาหนีไม่พ้น เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเพียงแต่ขึ้นภูเขานิดหน่อยจากลานจอดรถขึ้นมาพอมาถึงก็ถามกินยาและยาลมยาแรงแล้วว่าร่างกายสังขารของข้าไปเจ้าทั้งหลายมีแต่ความเจ็บความปวดยามีที่ไหน บ้างยาหลวงพ่อมีไหมหลวงพ่อก็บอกว่าที่นี่เป็นที่ปา่ายามีแต่ใบไม้ไม่มีโรงพยาบาลยังมีเหลืออยู่ก็คือวน้ำพุทธมนต์ท่านสวดพุทธมนต์แล้วก็ใส่น้ำหมอ้อใส่หมอ้นหมอน้ำมนต์องค์ไว้นั่นล่ะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย พะเนน ญ, ญาติโยมแถบเชียงใหม่นี้ก็กินน้ำมนต์เอาแต่น้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ดีเป็นน้ำใสสะอาดตกมาจากฟากฟ้าสุราลัยลงมาไม่มีฝุ่นละอองอะไรไม่เหมือนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครนั้นมันมีโรงงานเยอะแยะแล้วก็มีข่าท่อไอเสียรถยนต์มันมากไปไหนมาไหนก็รถติดเพระมันรถมากคนก็มากรถก็มากควันต่างๆก็เข้าจมูกตลอดเวลาดมควันท่อไอเสียแต่เมื่อเราขึ้นมาถ้ำผาปล่องนี้ ไม่มีเช่นนั้นมีอากาศบริสุทธิ์ฝนที่ตกลงมาจากฝากฟ้าสุลาเลยก็เป็นน้ำฝนที่บริสุทธิ์เอามาทาน้ำพุทธมนต์จเจริญพุทธมนต์น้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์ที่ดิบที่ดีถ้าเราได้รับประทานแล้วลงไปถึ ง, อง่องทองไส พร้อมกับภาวนาพุโทโธให้ใจหยุดใจโยไม่ต้องคิดถึงแหละกรุงเทพมหานครไม่ไปที่ไหนตึกลามบ้านช่องให้หลายๆชั้นคอนโดมิเนียมก็ฝังลงไปในดินไม่ไปที่ไหนเราไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้ได้มาถึงถ้ำผาปล่อง ก็ได้นั่งสมาธิภาวนาให้ใจเราเรานั้นแหละ น, นึกถึงความเกิดของเราที่ได้เกิดมาการเกิดมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเกิดมาในกองทุกคนเราที่มีความทุกข์ต่างๆทุกเพราะความเกิดถ้าไม่เกิดมาเสียทุกก็ไม่มี ถ้าเกิดมามีร่างกายสังขารขาสองแขนสองสีสันหนึ่งอย่างนี้มีหนังห่มโยเป็นที่สุดรอบชื่อว่าเกิดมาในกองทุกกองทุกกองตั้งแต่พื้นเท่าตลอดศีสันร่างกายคนเราเป็นท่อนๆก็คือมันกองอยู่นั่นเอง ให้มากำหนดภาวนาลำลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมม า, า, าเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสังฆาเจ้าเป็นที่พึ่งของเราบัดนี้เรามาสู่สถานที่วิเวกสถานที่อยู่เย็นเป็นสุข เราได้นึกถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าให้ใจของกาพเจ้านี่จองสงบหลังอับมั่นคงโยในคุณพระพุท ธ, ธเจ้าโดยการนึกถึงพุโทโธให้ได้พลวลมหายใจเข้าเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปก็ให้นึกในใจว่าพุโทโธ ลมออกมาก็พุทโธลมเข้าไปอีกก็พุทโธนึกอย่างนี้จนกระทั่งจิตใจนิ่งสบายสงบไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่ต้องวิตกวิจารณ์ไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานที่มาด้วยและไม่ต้องไปห่วงลูกหลานที่อยู่บ้านอยู่เมืองอยู่กรุงเทพมหานครโน้น ให้ใจเราอยู่สบายภาวนาเย็นอกเย็นใจ <c oughs> อันพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นนานๆานจะมาตรัสลูแต่ละองเวลานี้ก็ยังเหลือศาสนาพระพุทธเจ้าโคโด ม, มโคตพระพุทธเจ้าโคโด ม, มโคตนี้ได้อุบัติบังเกิดมา โน่นท่านเกิดประเทศเมืองแขกอินเดียเมืองแขกนั้นกรุงที่พระพุทธเจ้าเกิดก็คือว่ากรุงกะบินลาพัตตีนเขาหิมาลัยประเทศอินเดียเมืองแขกคนเท่าคนแปลกแก่ที่มานั่งนี่บางคนก็ได้ไปไหว้พระอินเดีย มาแล้วก็กย่อมมีเพราะว่าคนแก่ทลาหลายคนมานี่การไปไหว้พระอินเดียนั้นก็คือให้ได้เห็นได้สัมผัสว่าเมืองแขกโนนเป็นเมืองพระพุทธเจ้าโคดมได้มาอุบัติบังเกิดอายุท่านได้แปดสิบปีบริบูรณ์หลังจากพระองค์ ดับขันเข้าโสนารุภานแล้วพระองค์ก็ได้อธิษฐานพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสไว้ที่เราเรียกว่าตู้พระไตรปิฎกทาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสสลู้แล้วก็โปรดเวยนยสัตว์อยู่ในโลกนี้ สี่สิบห้าปีก็ดับขันเข้าโสนารุภานไปนับจากที่พระองค์ดับขันเข้าโซนารุภานมาจนถึงวันนี้ได้สองพันห้าร้อยสามสิบสองวันนี้แหละเราได้มาโซสถานที่นี้ได้ก็นับว่าเป็นมหากุศล เพราะว่าชีวิตคนเหล่านั้นไม่แน่นอนบางคนก็ไม่ยืนยาวขาวไกลตายเสียแต่เมื่อเล็กเมื่อน้อยก็มีมากการที่ชีวิตเรายังเหลืออยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังพยุงร่างกายตัวเองขึ้นมาถึงถ้ำผาปล่อง อันเป็นปล่องเป็นโลทะลุมีลมพัดเราท่านทั้งหลายขึ้นมาแล้วนั่งอยู่ได้ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนี้ก็สบายอกสบายใจแล้วเพราะว่าอากาศในที่สูงอากาศในป่าในลุกขมูลในอลันญิกะในลาวป่า เป็นอากาศที่บริสุทธ์ผ่องใสเจ็ดใจเราก็ได้เห็นภาพต่างๆซึ่งมาในป่าก็เห็นปา่าเห็นลุกกะมูลล้มไม้เป็นที่เย็นตาเย็นใจเวลานี้ให้เรานึกน้อมเอาคุณพระพุท ธ, ธเจ้าเข้ามาไว้ในใจ ที่ว่าพุทโธในใจนะให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกจองพยายามทำใจให้สงบตั้งใจให้ดีตั้งใจฟังหต้องไปจัดสตุงสตางและจัดใจเราให้สงบพุทโธพุทโธในใจ เพิ้งภายนอกออกไปไม่ต้องไปกันงวลดูกายของเราเราได้นั่งขัดสมาธิดได้ได้ได้แล้วหรื อ, อยังท่านแนะว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายท่านแนะนําว่าให้หลับตาเฉียไม่ต้องไปดูใครแหละ ดูตัวของเหล่านี้เกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาผลสุดท้ายจะต้องไปถึงยอดชีวิตคนเราคือความตายมารานังเมภาวิตสติเกิดมาแล้วหนีตายไม่พ้นจะเป็นพระภิกษุสามเณร อุบาศกภูบาศิกาเป็นใครก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นผลที่สุดความตายของคนเราสมัยนี้เรียกว่าอายุสั้นพลันตายก็ว่าได้อายุไม่ค่อยถึงล้อยปีอย่างมากก็ร้อยปี อย่างหลดลงมาอย่างหลวงปู่แหวนมีลูกอยู่ข้างหลังเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่องค์นี้อายุได้เก้าสิบเก้าปียังอีกปีหนึ่งจึงจะได้ร้อยปีท่านก็มาล่วงรับดับขันไปแล้วยังเหลือแต่ลูกทายลูกปัน้นลูกหล่อไว้แม้เราท่านทั้งหลายทุกคน ที่มานั่งภาวานาอยู่นี่นึกพุทโธพุทโธในใจก็จะเหมือนหลวงปู่แหวนล่ละถ้าใครได้ถึงขนาดหลวงปู่แหวนเก้าสิบเก้าปีแล้วก็จะเห็นความสุขความทุกข์ของตัวเองว่าเมื่อแรกเราเกิดมามีความทุกข์ความยากสุขสบายอย่างไรเราก็รู้ ตกมาถึงวัยกลางคนอายุได้ห้าสิบปีมีความทุกมีความสุขยังใดเราก็จะได้รู้จนกระทั่งถึงบั้นปลายแห่งชีวิตที่เรามาถึงถ้าผาปล่องภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่นี่ก็ให้ใจเราเย็นสบายพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกอันพระพุทธเจ้าของเหล่านั้น ท่านตั้งปณิธานความหมายมั่นปันใจว่าจะให้ได้ตรัสเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าในอนาคตการคือชาติหนึ่งท่านเกิดมายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าชาตินั้นท่านบำเพ็ญเป็นพระลือศีอยู่ในป่ามีบริวารห้าร้อย พระพุทธเจ้าของเรานี้มีชื่อมีนามว่าสุเม ธ, ธดาบทดาบทก็คือผู้รักษาศีลรักษาศีลห้าศีลแปดอยู่ในป่าภาวนาคลายกันกับร้ำผาปล่องที่เรามานั่งฟังธรรมสมาธิภาวนาอยู่อย่างนี้แหละในระหว่างนั้นที่ สุเมธาดาบทพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าโกดมของเหลานี้แหละยังเป็นดาบทอยู่ยังเป็นฤาษีผู้จำศีนอยู่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเวลานั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสโลในประเทศอินเดียชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกร ได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราสุเมตตดาบทพร้อมด้วยบริวารห้าร้อยได้มาทําบุญสุนทานถาวายโภชนาหารแก่พระพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยสาวกห้าร้อยของท่านเมื่อทําบุญทำทานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทีปังกร ก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาสอนสุเมตดาบทพระพุทธเจ้าของเราสอนบริวารจนบริวารของสุเมตดาบทได้สำเร็จมรรคผลยนเข้าโซนริพานไปแล้วในเวลานี้แต่สุเมตดาบทก็ยัง ไม่ได้สำเร็จอะไรเพราะว่าสุเมธดาบทพระพุทธเจ้าของเหล่านี้มีความมุ่งหวังอยู่ว่าพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาแล้วต้องการจะเด็ดดัดเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พอยังไม่เต็มพอดีเวลานั้นพระพุทธเจ้าทีปังปอน ก็เล็งยานดูสุเมตดาบทก็ตรัสทัพยากรให้สุเมธดาบทพระพุทธเจ้าของเราฟังว่าดูก่อนสุเมธดาบทนับจากเวลานี้ไปข้างหน้าอีกสี่อสงไขยกับแสนมาหมากับ สุมเมตตาบทจะมาตรัสโล ท, ที่ประเทศอินเดียนี่จึงจะได้โปรดเวนยสัตร์เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเราติดเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นี่นับตั้งแต่วันนั้นมาสุมเมธดาบทกตั้งโยในทานการให้การบริจาคตั้งโยในการรักษาศีลห้าให้บริสุทธ รักษาศีลแปดศีลอุโบสดให้บริสุทธิ์เรื่อยมาจนมาถึงวันเวลาได้สี่อสงไขยแสนหมากับจึงมาตรัสสล ท, ที่ต้นไม้ลุกขมูลนี่เองประเทศอินเดียที่กล่าวมาแล้วนั้นเวลามาภาวนาที่ลุกขมูลนั้น พระองค์ก็มาลำลึกดูว่าพระองค์ได้รัตทะปยากรจากพระพุท ธ, ธเจ้าที่ปังกรว่าจะได้มาตรัสเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าที่อินเดียทำไมหนอจึงตรัสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์ลำลึกอย่างนี้ก็ได้ความขึ้นมาในใจของพระองค์เองว่า การที่จะตรัสสู้หรือว่าตัดกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโลภตัดกิเลสความหลงนั้นจะต้องสละชีวิตไม่เป็นห่วงในชีวิตร่างกายตัวเองจึงจะตรัสได้ได้ความอย่างนั้นเมื่อได้ความอย่างนั้นพระองค์ก็ ได้อุบายทำขึ้นมาในใจของพระองค์อีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างที่แนะนาให้ญาติโยมนั่งนี่แหละจะถวายชีวิตทีเดียวถ้ายังตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ก็จะไม่ลุกจากที่ขัดสมาธินี้พระองค์ก็เริ่มนั่งขัดสมาธิ ในคืนวันนั้นและวันนั้นก็เป็นวันเดือนหกเพ็นพระจันเต็มดวงที่เราทุกคนจดจาได้ว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันประพุทธเจ้าตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าโคดมโคต นี่และที่แนะนำให้เรานั่งคัดสมาธินี้มีมาจากพระพุทธเจ้าโคดมท่านนั่งภาวนาที่ต้นไม้สีมหาโพธิจึงได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าของเหานั้นเวลาท่านภาวนาท่านไม่ได้นึกว่าพุโทโธเหมือนแนะนำญาติโยมตัางหลายอย่างนี้ ท่านนึกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาคือท่านนึกว่าลมหายใจเข้าไปก็ตามดูลมหายใจของท่านเมื่อลมหายใจออกมาก็ตามดูลมหายใจออกว่านี่เป็นลมหายใจออกสูดลมเข้าไปเอง ก, ก็ตามดูว่านี่เป็นลมหายใจเข้า ออกมาอีกก น, นึกตามลมหายใจคือวิธีนี้ที่พระพุท ธ, ธเจ้าภาวนาเรียกว่าเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นหัวใจภาวนาพระองค์นึกน้อมระมัดระวังจิตใจไม่ให้ฟุ่งซ้านออกไปนอกร่างกายสังขารของพระองค์ ส่วนเราทุกคนเวลานี้ก็มาให้ใจออกไปภายนอกใจเรามานั่งทำผาปลองแล้วก็ให้ใจมานั่งที่นี่ไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังจองนึกพุทธรในใจของเราเดี๋ยวนี้ให้จิตใจเยือกเย็นสบายไม่ต้องให้ใจเล่าร้อนเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าออก จนจิตใจเย็นสบายเป็นคณิกะสมาธิเป็นปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้ดีแล้วพระองค์ก็กาหนดลกูกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตดวงรู้โยในตัวของพระองค์นั่นเองคือจิตใจพระองค์เอง <c oughs> ทีนี้จิตใจพระองค์ก็มองเห็นร่างกายสังขารของพระองค์ด้วยไตรรัตนญาณเรียก ว, ว่านามะรูปังอะนิจังนามและโลกกายใจของพระองค์นี้ไม่เที่ยงนามารูปังทุกขังนามและโูกเป็นทุก นามารูปังอนัตตานามแลรูปไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อพระองค์มาเพียรเพ่งดูรูปนามกายใจของพระองค์ตลอดทั้งโลกก็รู้แจ้งชัดเจนว่าโลกนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นจิตใจพระองค์ก็ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างรวมจิตใจลงไปในใจ ยอนคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปोติยานจึงได้โปรดสัตว์โปรดเวนั ย, ยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ภายในวัฏสงส์ป่องหรือเสียงใหม่ไปถึงกรุงเทพมหานคะรแล้วก็ตามให้เราทุกขนก่อนจะหลับจะนอนทุกทุกคืน ก่อนจะนอนก็ให้กราบพระไหว้พระธ ร, รมวัดเท้าทำวัดคำ่ำเจริญสวดมนต์ให้มากๆน้อยแล้วก็ น, นั่งขัดสมาธินี่แหละบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบระงับเย็นกายเย็นใจเสียก่อนจึงลุกขึ้นกราบพระไหว้พระ แล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนและให้พากันตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้ได้ทุกคืนทุกคืนไปชั่วชีวิตที่เรายังเหลืออยู่เพราะว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นแล้วว่าอายุสั้นพลันตาย คนเรานี้อายุน้อยไม่ถึงล้อยปีก็ตายเอาตายเอาอยู่เรื่อยเมื่อใดมันจะมาถึงตัวเราทุกคนก็ไม่รู้แค่นั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนายาได้มีความท้อถอยต่อไปนี่เป็นอบายเตือนเราท่านทั้งหลาย ให้รู้จากการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาที่เราพูดกันว่าจิตไม่อยู่จิตวุ่นวายจิตคิดไปโน้นไปนี้ก็คือเราไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ภาวนาไม่ได้สอนใจเราเสียก่อนเมื่อเราสอนใจของเราได้แล้วจิตนี้จะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อน นี่เป็นโอบายเตือนใจเราท่านทั้งหลายให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งอวาสานแห่งชีวิตทุกๆคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาอวังก็มีด้วยประกาละชนนี กวัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระวตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระวตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สอนอบน้อมแดพระผู้มีพระภาคอรหันตาสามมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธศาสนาซึ่งคนเราที่เกิดในประเทศไทยถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย เราก็ได้เกิดมาในประเทศไทยพุทธศาสนานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นรองประธานมีพระอริยสองสาวก เป็นผู้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนามาโดยลำดับผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามนเณรชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทผู้ธนุบาลงพระพุทธศาสนามาโดยลำดับ <c oughs> นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้แสดงพระธรร ม, มเทศนาปฐ ม, มเทศนามาโดยลำดับนอกจากธนุบำลงพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตาม พระธรรมพระวินัยข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พระพุทธศาสนาจึงได้เจริญยาวนานมาเป็นเวลานับจากพระพุทธเจ้านิพพานมาก็สองพันห้าร้อยสามสิบสองปีนี่แล้ว นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานเหมือนกันเดี๋ยวว่าเกินอายุคนแต่ละชาติชาติเกิดมาคนเราสมัยนี้เกิดมาทุกๆุกคนส่วนมากอายุไม่ถึงร้อยปีอย่างสูงสุดก็เก้าสิบเก้าปี เหลือนั่นก็คนตายเผาไฟฝังดินไปนี่แหละที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนความไม่ประมาทไว้ว่าให้สาวกของเราตถาคต นึกภาวนามาลานังเมภาวิตสติให้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนว่าคนเราที่เกิดมาจะเป็นคนมีก็าตามคนจนก็าตามเท่าพญามาหาอักษรรัฐมนตีคนธรรมดาสามัญก็าตาม เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแก่ชราเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาบั้นสุดท้ายปลายชีวิตใครจะหลบหลีกไม่ให้ความแก่ความเจ็บไข้ความตายมากรำกายตัวเองย่อมไม่ได้ แต่ก็มีโยทางหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าพระองค์สอนให้ทำใจของตนให้ตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาที่เราทุกคนจำได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออก เอาอารมณ์พุทธคนธรรมคนสังขคนมามัดจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายเป็นศกไม่ทุกข์ร้อนด้วยเหตุการณ์ใดๆแม้ในโลกนี้มันจะมีอะไรวิปริตผิดธรรมดาไปก็ตาม ผลเคยตกไม่ตกเรียกว่าผลแรงก็ช่างมันการภาวนาพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกของเรานั้นจะต้องภาวนาเรื่อยไปแม้แผ่นดินอันเป็นแผ่นดินใหญ่กว้างก็ยังมีเวลาแผ่นดินไหวปีนี้ เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าและวันที่หนึ่งตุลาคมสิ่งที่ไม่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาให้รู้ให้เห็นว่าแผ่นดินว่าหนาแน่นที่สุดไม่มีใครไปสำรวจใต้ดินได้ก็ยังมีความสั่นสะเทือน นี่ก็ย่อมแสดงถึงว่าโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนตั้งแต่คนเราเกิดมาก็ว่าไม่มีอะไรจะเที่ยงเท่าแผ่นดินมันใหญ่ใครจะขนไปที่ไหนก็ไม่หมดส่วนมากแผ่นดินนี่ก็จะอยู่นิ่งๆใครจะนั่งภาวนาบนแผ่นดินปลูกบ้านปลูกเรือนปลูก คอนโดมิเนียมใส่หนักปันไดแผ่นดินก็อดเอาทนเอาไม่หวั่นไหวถึงกระนั้นก็ยังมีการแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนี่คนทั้งหลายที่ได้สัมผัสก็วิตกวิจาน <c oughs> เป็นธรรมดา คือว่าแผ่นดินไม่เคยไหวง่ายๆก็ไหวได้ให้เราระลึกในใจเราว่าความจริงความไหวหวั่นท่านปึงของแผ่นดินนี้มันมีมาโดยลำดับลำดับถ้าสิ่งที่เกี่ยวข้องถึงพระพุทธศาสนาของเราแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากท่านฟ้าตาวติงสามาเข้าปฏิสนธิวิญญาณในครับโพทรตามตำนานโบราณก็ว่าแผ่นดินก็ไววทีหนึ่ง และในเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าของเราประโชดที่สวนลมพินีประเทศอินเดียหรือสมัยนี้แล้วว่าสวนลมพินีที่พระพุทธเจ้าประโชดนั้นอยู่ในเขตประเทศเนปาล ก็แผ่นดินไหวทีหนึ่งต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าอายุได้ยี่สิบเก้าปีเสด็จออกบรรพา่าทาเป็นพระฤาษีไปภาวานาอยู่เขาหิมาลัยได้หกพันศาล่วงแล้ว <c oughs> พระองค์ได้เสด็จลงไปภาคกลางอินเดียจังหวัดนั้นให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธกยามีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังพระพุทธเจ้าไปนั่งภาวนาได้ตรัสรู้พระโพธิญาณตั้งแต่นั้นมามนุษย ก็ให้ชื่อต้นไม้ต้นนั้นว่าต้นไม้โพต้นไม้โพนี่แหละเป็นที่ระลึกของพุทธบริษัทยังหนึ่งต้นไม้อื่นๆก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไปนั่งภาวนาที่ต้นไม้โพนั้น ยังได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัส้ลระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นก็เป็นวันเดือนหกเพนพระยัน์เต็มดวงเมื่อพระองค์ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นแล้ว ตามตำนานโบราณกล่าวไว้ก็ว่าแผ่นดินก็ไหวทีหนึ่งแต่จะไหวแรงคอยเท่าวันที่หนึ่งตุลาหรือวันที่ยี่สิบเก้ากันยาก็ไม่มีใครทราบเพราะว่าเราทั้งหลายที่นั่งหลับตาภาวนาอยู่ทมปาป่องเวลานี้ ก็เพิ่งมาเกิดยังไม่ถึงสองพันห้าร้อยกว่ากว่าถ้าเกิดนักละสมัยนั้นก็จะรู้ว่าแผ่นดินไหวจริงไหมเวลาพระพุทธเจ้าตัดสัโลตามตำนานว่าแผ่นดินไหวจริงสัน เหมือนกับวันที่หนึ่งตุลาลถ้ามันคนไปอยู่เวลานั้นก็ปลอดเสียไปละมันกลัวแผ่นดินปิน้นเพราะมนุษย์มันรักชีวิตเหมือนกันทุกคนเกิดมาแล้วจะรักษาชีวิตของตนนี้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ไปไหนมาไหนก็ต้องมียาติดตัวไปเพื่อกันไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทานยาให้หายลงไป mm hmm. ก็เพราะว่าอัปปังชีวิต่ตังชีวิตเราท่านทั้งหลายนี่น้อยไม่มาก mm hmm. ก็คิดดูว่า คนอายุร้อยปีไม่ค่อยมีตอแต่ก็มีคำให้พรของพระในทางพุทธศาสนาสมัยนี้ท่านก็ให้พอรอยู่แต่มันเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่รู้สึกว่าท่านให้พรว่าอย่างไรเมื่อท่านยะถาสัปีจบก็สาธุ ให้ข้าไปเจ้าได้รับพรอย่างประผู้เป็นเจ้าให้พรเกิดพรของท่าน่าญาติโยมมาทำบุญให้ทานเสร็จเร็บร้อยไปแล้วทุกทุกคนนี้ก็ให้มีอายุได้ร้อยปีเนอความหมายมีอย่างนั้น <c oughs> แต่ทุกคนก็ไม่ค่อยถึง ที่ไม่ถึงนั่นเพราะอะไรเพราะว่าความประมาทโมเมาทำอะไรขาดความระมัดระวงังเีวิเวทยังสั้นแต่ตำนานเก่าแก่ท่านว่าคนที่อายุยืนยาวข่าวไกลจนถึงวัยแก่วัยชรา เป็นคนที่รักษาศีลข้อปานาติบาเว้นจากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาหลายพบหลาย่าบุญกุศลอันนั้นก็ย่อมมาให้บุคคลผู้นั้นเมอายุยืนยาวข่าวไกลได้ถึงร้อยปีหรือว่าเลยร้อยปี คนสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้ามาเทศนาในโลกนั้นสาวกของพระองค์เอง <c oughs> ก็มีอายุยืนยาวเลยร้อยไปถึงร้อยยี่สิบปีก็มีเพราะบุญกุศลที่รักษาศีลปานาไม่ฆ่าสัตว์ แหตุนั้นผู้ใดต้องการอยากจะมีอายุยืนยาวกลไกลก็ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วอะไรอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่การรักษาศีลห้านั้นแหละแหตุนั้นการรักษาศีลห้านี่จึงมีผลเมอานิสงอันยิ่งใหญ่ นอกจากรักษาสินห้าแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาอันบทนั่งกรรมฐานภาวนานี่แหละมันก็ค่อยหลุดหลุยไปทีละน้อยละน้อยเดิมพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลุกกมูลล้มไม้คือต้นไม้โพนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิพระพุทธโลก ปางหนึ่งมีอยู่เรียกว่าหลวงพ่อเพชรเขาก็เลยเรียกชื่อไปตามท่านนั่งขัดสมาธิเพชรหลวงพ่อเพชรวัดนั้นหลวงพ่อเพชรวัดนี้ไม่ใช่ว่าเพชรพลอยคือว่าท่านนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 แอานั้นเราท่านทั้งหลายจงเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนอย่าได้ประมาทเพราะว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วด้วยกายเรียกว่ากายกรรมด้วยวาจาเรียกว่าวาจีกรรม ด้วยใจแลก ว, ว่ามโนกรรมกรรมทั้งสามอย่างนี่แหละทำบาปก็ได้รับทุกข์ทำบุญก็ได้รับความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีจึงชื่อว่าควรประกอบกระทำ ควรให้ได้นั่งภาวนาทำใจให้สงบเย็นสบายได้ทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกวันอย่าได้อยู่โดยความประมาทนั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ให้ถือว่าเวลาปัจจุบันที่เรานั่งอยู่นั้นจะนั่งแบบไหนก็ตาม ใจของเราก็ให้ลํำลึกโย่ในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธไม่อย่างนั้นก็ให้นึกถึงธรรมโมพระธรรมแปดมืนสี่พันพระธรรมขันที่พระองค์ทรงตัดไวบไม่อย่างนั้นก็ให้ระลึกถึงคุณพระอริยสอง นับตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาจนถึงที่สุดพระอระหันตากินาศจบพรหมจันทร์สมัยครั้งพ ร, พระพุทธเจ้าของเรายังมีชีวิตจิตใจอยู่นั้นพระอระหันตากินาศ ก, ก็มาเหมือนกันพระพุทธเจ้าสเสด็จ ประทับอยู่ที่ไหนสงสาวกของพระองค์พระอาราหาันตากินาศกล็ล้อมรอบเป็นบริวารถ้าเป็นว่าเราท่านทั้งหลายได้ไปเกิดในสมัยนั้นก็จะได้เห็นด้วยตาตัวเองได้ยินด้วยหูตัวเองว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศอย่างไร ส่วนมากท่านก็เน้นหนักไปในทางปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ลือขนสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นความทุกข์ความร้อน ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจเมื่อเราได้นั่งภาวนาครั้งใดคราวใดก็ตามจองละลึกเตือนใจของเราว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งภาวนาไม่ขาดนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์จึงได้สอนสาวกทั้งหลายว่าผู้ไม่ประมาทในชีวิตเกิดมาแล้วต้องนึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าตัวเราที่เกิดมาแล้วนี้ย่อมมีความตายเป็นผลที่สุด ไม่เมบุกคนผู้ใดจะข้ามพ้นไม่ตายไปไม่มีเลยพระองค์ทรงตัดไวอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองนับตั้งแต่พระองค์ได้นั่งขัดบรรลังสมาธิใต้ลุกกโมลล่มไม้ไม่โพนั้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่หลงไม่ลืมเหมือนคนปุถุชนทั่วไปพระองค์มีความลํำลึกว่าพระองค์เองก็จะต้องตายเหมือนคนทั้งหลายแต่จิตใจพระองค์ดีจิตใจพระองค์ละกิเลสลาคะละกิเลสโทสะละกิเลสมหะหมดแล้ว ถึงยังไม่ไม่แตกไม่ดับก็จิตใจพระองค์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเหมือนคนสามัญธรรมดาเรียกว่ามีใจสบายอยู่ตลอดเวลาคล้ายกันกัเราไปนั่งไหว้พระพุทธลูกที่ท่านมีอาการสังวรระวัง นั่งขัดสมาธิแบบไหนท่านก็มีความสังวรระวังตามธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไหนมาไหนไม่ว่าที่ไปฉันในบ้านในเมืองก็ตามพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเรื่อยไปท่านไม่นั่งแบบคนธรรมดา ดังนั้นที่เราได้นั่งสมาธิภาวานาขัดสมาธิดได้ <c oughs> ชื่อว่าเราได้ทำตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทำความปีติยินดีในการที่เราเีชเวทขึ้นมาแล้วได้ทำความดี ตามศรัทธาที่เราจะทำได้แน่นั้นการปฏิบัติภาวนานั่งภาวนานี้ย่องให้เราทุกคนถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆเถิดนี่เป็นโอบายโดยย่นย่อพอเป็นข้อปฏิบัติให้เราท่านทัางหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะเบาบางไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนีสปีติโยวิวัตชนตุสพพะโลโควินัศตุมาเตภวัตะวันตรายโย โขกีเิคายยโกภาวะปีวาธนาสิริชนจังบุตราป จ, จายโนยัตตาโรโอธรรมาวาันติอายุวันโนโชขังภาลายเมนิธานท่านกล่าวไว้ว่าวันนั้นเมื่อสเสวยพระกยาหารแล้วพระองค์ก็เสด็จเดินทาง มาให้ถึงกรุงกุศินารายซึ่งเป็นจุดหมายที่จะมาปรินิพานที่นั้นพระองค์เดินทางไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยฤทธ์ด้วยเดชพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลายห้าร้อยมีพิโษพิโสเนสามาเนนสามะเนะเ น, ะเนลี อุบาสกอุบาสิกาเดินทางตัดลัดมาเพื่อให้ถึงที่ปรินิพานนั น, นเดินทางตลอดวันพระองค์ยังเดินได้พวกเราเดินเล็กๆ น, น้อยๆแค่มาขึ้นทำปองกับปนเน็ดเหนยเมื่อยหิวอย่างนั้นอย่างนี้ ถาพระเนนไปบินธบาตแค่สามกิโลบ้านธรรมก็บนว่าอย่างนี้ก็ตายลูกเดียวละบินบาตก็ให้ขาดตกบกพ่องบินธบาตนั้นท่านว่าเป็นทุ ด, ดงควัดข้อหนึ่งผู้ใดบินธบาตได้ทุกวันทุกวันเดา ว, ว่าทุ ด, ดงควัด ทดองขวัดข้อนี้ก็หัดบังให้ใจขี้เกียจขี้คลานใจขี้เกียจขี้คลานนั้นมันมีเยอะแยะและทิ้งเท่าไหร่มันก็ไม่หมดฉะนั้นต้องให้มีใจหมั่นขยันขันแข็ขงระลึกอยู่ทุกเวลาอย่าไปกลัวมันตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายหรอก ถ้ามันถึงเวลาตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนหลับอยู่ดีๆก็ตายเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วว่าคนตายนอนหลับนอนหลับทำไมตายทาไมเมื่อบทอันนอนหลับก็คิดเห็นว่านอนหลับสบายสบายที่ไหนมันตายไป เหตุนั้นในฝา ก, กันลกขึ้นภาวนาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปอย่าไปคิดว่าใกล้ๆจะตายจึงภาวนาเอาอันใดก่อนได้อันนั้นมันเป็นสํานวนวัวหารอันหนึง่งถ้าเราไม่ทําไว้ก่อนมันไม่ได้ต้องทําไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อน เราจะคิดว่าเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาขนนั่งภาวนาเวลาอยู่ดีสบายก็เล่นคุยกันไปตามเรื่องอันนี้ไม่ได้พาให้เสียเวลาวันเวลามันเสียไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ถ้าเราทำเวลาท้งปวงติดต่ออยู่ พกลมหายใจเข้าออกเจตใจจะสบายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่ห่วงคนนั้นไม่ห่วงคนนี้ฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนนีเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาหนดจดจํานำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ อีวังก็มีด้วยกระกาศนีสัพพีติโยวิวัทชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยจุขีติคาโยโกภาะอิวาธนาชิริสนิจยังบุทธาปญจิโนจัตตารโรธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลา